คุณนี่มาจากไหนล่ะเคยฝึกไหมเล่เฝึกมาแบบไหนเล่า เ, เอาให้ได้สักอย่างเนาะเบื้องต้นนะเอาอะไรก็เอาสักอันหนึ่งก่อนถึงแค่ๆต้องสร้างทำตุ๊กตาขึ้นมาสักตัวหนึ่งก่อนนะอ่าวิธีปฏิบัติสักอันหนึง่งแล้วก็ค่อยมาต่อยอดพี่ฝึกยิ่งถ้าเราฝึกหลายอย่างจะสับสน สติตัวจริงมันจะไม่เกิดขึ้นมาสติจริงๆแล้วเกิดยากที่สุดเลยนี่อย่างสมมุติว่าบางคนจะหัดจะพุโทโธก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธนะพุโทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาตัวใจของเราเนี่ยเป็นปลาเนี่ยเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าใจเราหนีไปเที่ยวรู้ทันว่าใจเราหนีไปละเนียรู้ทันใจตัวเองนี้ใช้ได้ พุทโธพุทโธไปใจสงบรู้ว่าจิตใจของเราสงบอย่างนี้ใช้ได้แต่พุทโธแล้วเคลิมเห็นโน้นเห็นนี้ใช้ไม่ได้นะหรือเราหายใจเข้าหายใจออกก็ได้หายใจไปะหายใจไปแล้วใจหนีไปเที่ยวที่อื่นและหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตใจเราหนีไปคิดล้วหายใจไปแล้วสงบรู้ว่าสงบนะหายใจไปแล้วซึมซึมรู้ว่าซึมซึมหายใจไปเพื่อจะรู้ทันใจอ่ะ หรือพุทโธก็เพื่อจะรู้ทันใจนะการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเข้ามารู้ได้ถึงจิตถึงใจเราเนี่ยมันจะเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญางั้นถ้าใครอยากฝึกเอาแบบสั้นๆเลยนะสั้นที่สุดลัดที่สุดเลยนะง่ายที่สุดเลยขั้นแรกเลยก็คือถ้าใจของเราไปคิดใจของเราไปคิดเรารู้ทันว่าใจเราแอบไปคิดแล้วไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะ รู้ไหมว่าใจเราอย่างฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดเนี่ยพอใจของเราไปคิดเรารู้ว่าใจเราไปคิดปั๊บเนี่ยนะเราจะหลุดออกมาจากโลกของสมมุติบัญญัติหรือโลกของความคิดทันทีเลยทันทีที่เราหลุดออกมาจากโลกของความคิดเนี่ยเรารู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมาเนี่ยคือจุดตั้งต้นที่จะทำวิปัสสนานี่แค่จุดตั้งต้นนะ นี่ส่วนใหญ่พวกเราที่ปฏิบัตินะใจมันไม่เคยตื่นเลยนะไปพุทโธก็เคลิม้มไปดูลมหายใจก็เคลิม้มดูท้องของยุบก็ไหลลงไปเพ่งเอานะไปดูเท้าก็ไปเพ่งเท้าดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจทําอะไรก็จะเพ่งรูปเดียวนะมันไม่ใช่ความตื่นดงนั้นถ้าอะไรใจเราแอบไปคิดอย่างฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเกตไปเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราฟังไปคิดไป ดูออกไปใช่ไหมคุณเชียเนี่ยเราฟังไปคิดไปแล้วรู้สึกั้ยตรงที่เรารู้ทันว่าเราคิดเนี่ยมันคล้ายๆเราตื่นขึ้นมานะมันง่ายนิดเดียวเลยคือเราอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดทันทีที่เรารู้ว่าจิตแอบไปคิดนะเราจะตื่นขึ้นมาฉับพลันเลยนี่เป็นทางที่ง่ายมากเลยสำหรับที่จะฝึกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาเนะนี่ยสั้นที่สุดละ ส่นถ้าจะหัดอ้อม อ, อ ม, มาก่อนก็ได้นะาหายใจเข้าหายใจออกไปหายใจไปแล้วก็จิตใจมีปีติรู้ว่ามีปีติมีความสุขรู้ว่ามีความสุขอะไรเงี้ยหรือหายใจไปแล้วจิตถลำไปเพ่งลมหายใจก็รู้ อ, ะอนะถ้าฝึกนานนะฝึกนานแต่ถ้าเราแอบไปคิดเรารู้ปั๊บว่าแอบไปคิดแล้วเราจะตื่นฉับพลันนั้นเลยสั้นนิดเดียวเลยเนี่ยคุณหนีไปคิดแล้วรู้ไหมรู้จักตื่นยัง <c oughs> เป็นฉับพลันตรงนี้เลยนะแต่ชั่วขณะเท่านั้นเพราะเป็นคณิกะสมาธิไม่ใช่อัปปนาคนณะิกะสมาธินี่แหละเป็นขณะสมาธิสําหรับทำมิปัสนาจริงๆนะอย่าดูถูกว่ารู้สึกตัวครั้งลักษณะเดียวจะได้อะไรเวลาที่อริยามรรคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะเท่านั้นไม่มีเกิดสองขณะด้วยซ้ําไปงั้นะอย่าดูถูกว่าปัจจุบันขณะเดียวเนี้ยไม่สําคัญน้อยไป คำว่าปัจจุบันจริงๆก็คือขนาดจิตต่อหน้าเรานี่เองมามากกว่านี้มันก็เป็นอดีตเป็นอนาคตแล้วนะสังเกตนะใจหนีไปคิดแล้วดูออกไหมมันแอบไปคิดมันไปรู้เรื่องที่คิดมันลืมตัวเองถ้าเมื่อไหร่มันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดเราจะตื่นขึ้นมาฉับพลันเลยแต่ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะฟังหลวงพ่อพูดตรงนี้อย่าสับสนแนละบางคนฟังแล้วไปแปลใหม่ หลวงพ่อสอนบอกว่าคิดเรื่องอะไรให้รู้ว่าคิดเรื่องอะไรนี่ใช้ไม่ได้เลยนะจําไม้อย่างนี้ใช้ไม่ได้แนละ้ผิดแล้วไม่ใช่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรแต่ให้รู้ทันว่าใจแอบไปคิดแล้วรู้แค่น hi> ี้เองรู้ทันจิตใจของเราไม่ใช่รู้ทันเรื่องที่คิดไม่เหมือนกันสองอันนี้รู้เรื่องที่คิดเนี่ยใครๆเขาก็รู้นะคนไม่ปฏิบัติก็รู้แต่รู้ทันว่าจิตแอบไปคิดเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติไม่เห็นหรอก นะไม่หัดสังเกตเอาไม่เห็นการที่รู้ว่าจิตแอบไปคิดนี่คือการรู้จิตตัวจิตเป็นอารมณ์ปรมัตต์การไปรู้เรื่องที่คิดเรื่องที่คิดนี่เป็นเรื่องราวสมมุติบัญญัติเป็นอารมณ์บัญญัติเพราะฉะนั้นการไปรู้เรื่องที่คิดนะไม่เป็นวิปัสสนานะแต่ถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดเนี่ยพอจะเริ่มวิปัสสนาได้บ้างคุณเชียรนะ์หนีไปอีกแล้วใช่ไหมพอจะดูออกไหม ง่ายนะไม่ยากไม่เคยฝึกละมั้งคนไม่เคยฝึก่ะฝึกง่ายนะจะบอกให้เพราะคนไม่เคยฝึกเนี่ยทําผิดอย่างเดียวคือเผลอไปส่วนคนที่เคยฝึก่ะผิดสองอย่างถ้าไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้เพราะงั้นอาการจะหนักกว่าคนไม่เคยฝึกทําอะไรแล้วเนี่ย mm. เออเผลอรู้ว่าเผลอแค่นี้พอละะแค่รู้ว่าเผลอเราก็จะตื่นขึ้นมารู้สึกไหม แค่รู้ว่าเผลคือนเผลอไปคิดนั่นเองเป็นมากรู้ว่ า, วามันหลงไปคิดปั๊บเราก็ตื่นขึ้นมาแล้ะเราหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อไรหลุดหลบจากโลกของความคิดเนี่ยจุดตั้งต้นที่เราจะทํำมิปัสนาละเพราะเราหลุดออกจากโลกของความคิดเราจะอยู่กับโลกของความจริงเราจะรู้กายของจริงได้เราจะรู้จิตใจของจริงๆได้นะถึงจะเห็นว่ากายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายบังคับไม่ได้นะจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แต่ถ้าหนีไปคิดเอาเนี่ยหนีไปคิดแล้วใช่ไหมุณเสื้อสีม่วงม่วงมีลายใบไม้เนี่ยใจเราเปลือไปคิดใจเราหนีไปคิดแล้วเราก็รู้ทันมันเพราะงั้นถ้าอยากปฏิบัตินะเอาง่ายๆเลยเนี่ยฟังหลวงพ่อพูดค่อยๆสังเกตไปสังเกตไหมเราฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวจากไปนี้พอฟังจิตไปฟังรู้ว่าจิตไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิด รับรองว่าจะฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าจะทำมิปั ส, สนาได้ถ้าฟังหลวงพ่อรู้เรื่องก็คือรู้สมมติบัญญัตินั่นเองธรรมะของปลอมแต่ถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตไปฟังเห็นว่าจิตมันไปคิดนี่ธรรมะของจริงของเรารู้ได้เฉพาะตัวเลยถัดจากนั้นนะพอเราตื่นขึ้นมาฉับพลันนะ่ะวิธีตื่นฉับพลันก็คือถ้าจิตหนีไปคิดรู้ทันมันเลยรู้ทันมาจิตคิดเราก็ตื่นขึ้ น, นมาฉับพลัน นี่จุดตั้งต้นต่อไปเราก็ปฏิบัติละให้คอยรู้จิตใจของเรามันเปลี่ยนแปลง ย, ย, ยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนทั้งวันจิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงทั้ทงวันเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปในความคิดอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเห็นไหมมันวิ่งไปวิ่งมามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันก็เกิดทางตาแล้วก็ดับไปเกิดทางหูแล้วก็ดับเกิดทางใจแล้วก็ดับ อย่างตอนเนี้ยหลายคนกําลังสงสัยทราบไหมกลุ่มทางเนี้ยนะสงสัยเป็นทีมนะทางเนี้ย <c oughs> นะให้เรารู้ทันลงไปใจสงสัยรู้ว่าสงสัยหัดรู้อย่างนี้นะใจมันโลภรู้ว่าโลภใจมันโกรธรู้ว่าโกรธใจมันหลงไปรู้ว่าหลงไปค่อยรู้ไปรู้จิตใจตัวเองเรื่อยๆในที่สุดเราจะได้เห็นความจริงเี่ความจริงนี่แหละคือตัวปัญญาล่ะนะเพราะงั้นการที่เรารู้สึกตัวนะไม่เผลอไป เรียกว่าใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอะไรแปลกปลอมขึ้นทางกายแปลกปลอมขึ้นทางใจเรามีสติคอยตามรู้ไปโดยเฉพาะอะไรแปลกปลอมมาทางใจเราเราคอยตามรู้เรื่อยๆเช่นอ้าวเผลอไปอีกแล้วเอ้ากโกรธอีกแล้วเอ้าหงุดหงิดอีกแล้ ว, น, ลวนะเอาวิ่งไปทางตายอีกแล้ววิ่งไปทางหูอีกแล้ววิ่งไปคิดอีกแล้ววิ่งไปเพ่งอีกแล้วนะมันเป็นยังไงเนะี่ยคอยรู้ไปอย่างที่มันเป็นแล้วมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูธรรมะของจริงอยู่ที่ตรงนี้นะ อยู่ตรงที่มันแสดงให้เราดูกายกับใจเนี่ยแสดงของจริงให้ดูธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะไม่ได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ในตำรามาฟังหลวงพ่อพูดสิ่งที่ได้กลับบ้านคือความจําไม่ใช่ความจริงนั่งคิดเอาเองสิ่งที่ได้ไปคือความคิดก็ไม่ใช่ความจริงอีกอยากได้ความจริงนะตื่นขึ้นมาอย่าฝันนั่งฝันทั้งวันเลยนั่งคิดทั้งวันคิดคิดฝันฝันนะ รู้ทันว่าจิตไปคิดเราก็จะตื่นขึ้นมาฉับพลันเลยพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเราจะเห็นทันทีสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรู ป, ปรธรรมอันหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่จิตใจนี่ดูยากนิดหนึง่งเราฝังลึกว่าจิตใจเป็นตัวเราต้องดูกันานา น, าน เราจะเห็นเลยว่าจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอย่างเนี้ยนี่แสดงความไม่เที่ยงของเขาเราบังคับไม่ได้เราเลือกไม่ได้จะให้สุขอย่างเดียวไม่ได้ห้ามไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้ให้ดีอย่างเดียวไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้ะจะห้ามไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูหรือไปทางหูแล้วไม่ให้ไปทางใจอะไรเงี้ยห้ามไม่ได้สักอย่างเดียวเลยการที่เห็นว่าเราห้ามเขาไม่ได้ควบคุมเขาไม่ได้นี่คือการเห็นอนัตตานั่นเอง เราต้องเห็นของจริงนะรู้ลงถึงจิตถึงใจของเราจิตใจจะแสดงไตรลักษณ์ของจริงให้ดูไตรลักษณ์ของจริงนี่แหละเรียกว่าปัญญาเรจะเห็นเลยจิตใจนี้ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดจิตใจบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้เราจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ะร่างกายนี้ไม่เป็นตัวเราน่ง่ายนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาดูลงไปปุ๊บไม่เป็นตัวเราแล้วะเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเท่านั้น เหมือนโพวงเหมือนถ้าอะไรสักอันหนึ่งที่ใจมาอาศัยรู้เท่านั้นพุทธเจ้าบอกกายนี่เป็นครูหาเป็นถ้าที่ใจมาอาศัยอยู่แต่ตัวจิตใจเนี่ยต้องคอยดูเอาดูให้เห็นว่าบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดถามว่าเขาเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตอนไหนใครสังเกตได้บ้างว่าจิตใจของเราเปลี่ยนตอนไหนบ้างเปลี่ยนตอนตาเห็นรูป เปลนตอนหูได้ยินเสียงนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเปลี่ยนตอนที่ใจคิดนึกนะยกตัวอย่างหลวงพ่อนะเล่าแล้วเล่าอีกนะคนที่มาแล้วก็ทนทนฟังนะคนที่ไม่เคยฟังจะได้ฟังหลวงพ่อหัดปฏิบัติตั้งแต่เป็นคาราวาะเหมือนพวกเราเนี้ยแหละเพราะฉะนั้นคาราวาะก็ทําได้นะอย่าขี้เกียจอย่าอ้างว่าเป็นคาราวะาแล้วไม่ทําคาราวะาก็ต้องศึกษาธรรมะหนะลวงพ่อรับราชการอยู่สํานักนายกนะังงานเครียดมากเลย ตื่นนอนตอนเช้ามาพอนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์แม้ใจกระทบกับความคิดใจกระทบทำอารมณ์นึกได้ว่าวันนี้ว sure. ันจันทร์นะจิตใจแห้งแล้งเลยแต่พอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะจิตใจชื่นฉ่าเลยแห้งแล้งก็รู้ชื่นฉ่าก็รู้ะฝึกอย่างนี้เห็นไหมใจกระทบความคิดความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปอาบน้ํำสมมติว่าหน้าหน้าหนาวสมมติหน้าหนาวมาเห็นภาพง่ายหน่ยตามองเห็นตุ่มน้ําตอนหน้าหนาวเนี่ยมาตาเห็นรูป ใจมันสยองแล่วความรู้สึกมันเปรียนรู้ว่าใจสยองอาบน้าไปเรื่อยๆนี่น้าเย็นกระทบกายแม้มันกลัวใจมันกลัวรู้ว่ากลัวหลายๆขันเขาชักจะไม่กลัวแล้วรู้ว่าความกลัวค่อยๆหายไปอาบน้าเสร็จเช็ดตัวตัวอุ่นๆแล้วมีความสุขพอตัวอุ่นๆแล้วมีความสุครู้ว่ามีความสุขมนี่กระทบทางกายเสร็จแล้วไปทานข้าวนะ เจอของอร่อยแหมอร่อยใจเราชอบเจอแต่ของแม่อร่อยใจเราไม่ชอบแหมลิ้นกระทบรสความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเพราะฉนั้นตาเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสความรู้สึกเปลี่ยนทั้งนั้นอย่างเราอยู่ในบ้านเราอยู่อได้กลิ่นอะไรเน่าเน่าเหม็นเมเรารู้สึกว่้หนูมาตายมันไม่ค่อยชอบนะเกิดหงุดหงิดว่าหนูมาตายในบ้านเรา เกิดไปเดินอยู่ตามมัดป่ามืดๆคนเดียวได้กลิ่นเน่าๆคราวนี้ไม่ใช่ลังเกียดกลิ่นเน่าแล้วใจมันชักกลัวลแล้วสงสัยผีจะมาแล้ว ใ, ใจมันกลัวเรารู้ว่ากลัวเห็นไหมกลิ่นก็ยังเหมือนเดิมบรรยา ก, ากาศเปลี่ยนเปน็นไรความรู้สึกก็ไม่เหมือนเดิมเพราะงั้นความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการกระทบหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีนิดเดียวทาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอน ภิกษุทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันรู้ทันจิตใจตัวเองที่เปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่รู้ทันว่มามองเห็นผู้หญิงมาผู้ชายมายนะอะไรนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้คนอื่นเขาก็รู้คนที่เขาไม่ปฏิบัติเขาก็รู้อย่างนี้พอรู้เรื่องไหมพอรู้เรื่องต้องทำแล้วนะ่ะต้องทำเอาเองสังเกตดูใจของพวกเราตอนนี้ส่วนใหญ่นิ่งๆมีคุณนิวักแวก คุณไทยแลนด์นี่วอกแวกนะวอกแวกรู้ว่าวอกแวกหันไปดูเขาลืมตัวเองหลงไปทางตานะใจเราจะหลงตลอดนะคุณผู้ชายเสื้อขาวนะข้างหลังอ่ะใจลอยไปแล้วนะรู้สึกไปของคุณเนี่แหละทาอะไรอยู่เมื่อกี้นี่ทําอะไรคิดรู้ว่าคิดเนี่ย เ, เรียกว่าหลงคิดละ่ะถ้ารู้ว่าหลงคิดปุ๊บเราจะตื่นขึ้นฉับพลันเลย ความคิดจะดับไปทันทีเราจะอยู่ในโลกของความจริงนะทำไมต้องให้หลุดออกมาจากโลกของความคิดรู้ไหมเคยได้ยินชื่อพระโสดาบันไหมโสดาบันพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้เคยได้ยินสักกายทิฏฐิไหมสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นความเห็นผิดว่าขันห้าหรือกายกระใจนี้เป็นตัวเรามันคือความเห็นผิดนะมันไม่ใช่ตัวจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปละอัตตาตัวตน บางคนมาบอกหลวงพ่อว่าจะภาวนาเพื่อละอัตตาตัวตนไม่ต้องละหรอกมันไม่มีมันมีแค่ความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนถ้าโัดาบันเนี้ยละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้ทําไมความชื่อมันก็บอกแล้วนะว่าเป็นความคิดความเห็นถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเราไม่เอาความคิดความเห็นมาใช้ละเราเห็นกายของจริงเลยไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตของจริงไม่ใช่ตัวเราพอเห็นซ้ำซํำๆบ่อยๆนะวันหนึ่งจิตมันยอมรับความจริง ตรงจิตมันยอมรับความจริงเนี่ยมันจะปฏิวัติตัวเองเลยเปลี่ยนแปลงสภาพไปต่อไปไม่เชื่ออีกแล้วนะว่ากลายเป็นตัวเราจิตเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นสําคัญนะต้องรู้สึกตัวขึ้นมาหลุดออจากความคิดให้ไดนะ้ถึงจะไปนั่งคิดว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรานะก็เป็นตัวเราอยู่วันอย่างคำ่ำต้องดูของจริงเพราะฉะนั้นในอภิธรรมจะสอนวิปัสสนาเนี่ยต้องมีอารมณ์รูปนามคือมีกายกับใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องรองรับเพื่อให้เกิดสติปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเออกายไม่ใช่ตัวเราจริงๆอะ่ะจิตไม่ใช่ตัวเราจริงๆอะ่ะอย่างที่หลวงพ่อบอกอ่ะลองนั่งดูไปที่ร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเค่นหายใจเข้าหายใจออกก็คือธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกทานอาหารเข้าไปก็เป็นธาตุไหลเข้ามาขับถ่ายก็ธาตุก็ไหลออกไปมันก็เป็นแค่ก้อนธาตุนะนถ้ารู้สึกอย่างนี้อ้อมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆ จิตใจล่ะจิตใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดียเด๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจเลือกไม่ได้เหตุซ้ซําๆเนี่ยมันจะรู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่สองสำหรับการปฏิบัตินะเพื่อจะให้เกิดมรรคผลเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีเส้นทางที่สองอีกแล้ว นอกจากการที่คอยรู้กายรู้ใจของเราตามความเป็นจริงถ้าเผลอไปถ้าหลงอยู่ในโลกของความคิดก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเพ่งไว้ก็รู้ไม่ตรงความเป็นจริงอ้าใครจะถามอะไรจบหลับสูนรแล้วนะ <c oughs> ถ้าเข้าใจแค่นี้นะทำได้สบายเลยนะต่อไปนี้คนก็ชมเราดีใจดีใจรู้ว่าดีใจไม่ใช่รู้ว่าเขาชมว่ายังไงนะ เขาชมบ้างไงเนี่ยมันรู้อยู่แล้วไม่ต้องแกล้งรู้หรอกมันรู้อยู่แล้วกนะ็ไม่ห้ามนะไม่ห้ามหรอกแต่เขาชมแล้วเราดีใจกําลังชมแม้เรากําลังพองเลยนะเขาบอกวนะ่าเขาก็หยุดพูดบอกไอ้ที่ชมแต่กี้แกล้งชมหรอกความจริงตรงข้ามดีใจพลิกปับเป็นโมโหแนละ้วโมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหใจเราเปลี่ยนตามการกระทบเนี่ยทําอะไรทราบไหมหลงคิด อ่าหลงคิดตับถูกรู้สึกไหมพอรู้ว่าหลงคิดก็ตื่นขึ้นมาแต่จะตื่นได้แว บ, บเดียวนะอย่าตกใจตื่นได้ชั่วขณะเท่านั้นก็จะหลงครั้งใหม่แล้วอ่าจะหลงครั้งใหม่อาจจะคิดหรือ ก, กลับไปดูหรือ ก, กลับไปฟังก็ได้นะเพราะงั้นมันจะรู้สึกตัวมันรู้สึกชั่วขณะเท่านั้นถ้าเมื่อไรเรารู้สึกฉันรู้ตัวตลอดเวลาไม่เคยเผลอเลยรู้ตัวไว้นะว่าทําผิดแล้ว จิตที่เกิดซ้ำซากได้มากมายขนาดนั้นมีอยู่ชนิดเดียวเรียกว่าฌานจิตขนาดนั้นเป็นนั่งเพ่งเอาไว้น่ะสิเป็นสิ่งนิ่งๆอยู่ได้ยาวๆถ้าไม่เพ่งไว้เนี่ยมันมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับรวดเร็วมากเลยดูออกไหมเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็ไปคิดเลือกไม่ได้ดูออกไหมเข้ารู้ไปอย่างนี้จนใจยอมรับความจรงิงว่าจิตใจมันไม่ใช่ตัวเราให้มันทํางานของมันได้เอง ถ้าเห็นอย่างนี้สกายทิตย์จะขาดคือจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยนะสติจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยไม่ใช่สั่งให้เกิดนะถ้าเราสั่งให้เกิดได้ก็แสดงว่าสติเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาแท้จริงสติถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุสติไม่เกิดนะทำทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดถ้ามไม่มีเหตุไม่เกิดยกตัวอย่างเหตุของโทสะดูง่ายหน่อย เหตุของโทสะเนี่ยเราต้องไปกระทบอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจใช่ไหมเราถึงจะเกิดโทสะเรามีพื้นฐานที่เป็นคนขี้โมโหขี้หงุดหงิดพอไปกระทบอารมณ์ไม่พอใจปุบ๊บความโกรธก็เกิดเลยนะสองคนคนหนึ่งมีพื้นฐานคืออนุสัยขี้โมโหคนหนึงมีอนุสัยโลภมากมีแต่ราคะไม่ขี้โมโหวันวันหนึงชอบแต่ความสบายสบายไม่อยากยุ่งอะไรกับใครเท่าไหรนะ่สองคนนี้ถูกดา่าพร้อมๆกัน ผูกด่าประโยคเดียวกันความโกรธเกิดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความโกรธเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุเหตุของความโกรธก็คือมีอนุใสยที่โมโ oh หอยู่ก่อนแล้วนะได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่มีสติเกิดขึ้นในขณะนั้นความโกรธก็เกิดขึ้นนะมันเกิดจากเหตุนะความโลภ ก, ก็เหมือนกันมันมีนิสัยคือมีอนุใส่ขี่โลภอยู่แล้วนะอย่างเป็นคนบ้าผู้หญิงนะพอไปเห็นผู้หญิงปุ๊บผู้หญิงสวยนี่เป็นอารมณ์ที่พอใจ ราคาก็จะเกิดขึ้นมานี่อะไรล่ะเป็นเหตุให้เกิดสติการจําสภาวะธรรมได้แม่นยาเป็นเหตุไล่ให้เกิดสติเข้าใจยากนิดนึ่งล ะ, ะการจําสภาวะสภาวะคืออะไรคือรูปนามคือกายกับใจของเรานี่ยถ้าเราจํากายจําใจได้อย่างทางกายเนี่ยยงยากนิดหนึ่งทางจิตใจเนี่ยถ้าเราจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงอย่างหลวงพ่อคอยไล่จี้เผลอแล้วรู้ไหมเพ่งแล้วรู้ไหม ถ้าจิตของเราจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงต่อไปพอเผลอเนี่ยนะสติจะเกิดเองเลยมันจะนึกขึ้นได้ว่าอ้าวเผลอไปอีกแล้วนะมันระลึกขึ้นได้สติเป็นความระลึกได้นะพวกเรารุ้นหลังๆไปแปลสติว่าการกําหนดเนี่ยไม่ถูกนะพระตริดกไม่ได้แปลสติว่ากําหนดเลยอัตถะสอนว่ากําหนดนะไม่ถูกด้วยซ้าไปนะอัตถาบอกสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์นั้นเป็นตัวทุกข์ตัณหาคือความอยากปฏิบัติ อยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนดรูป น, น, นามเนี่ยคือตัวสมุขไถ่ดันั้นขณะนั้นหลงอยู่แท้ๆนะ Elliott. กําหนดไม่ได้นะสติเป็นความระลึกได้เราจะระลึกได้นะสติจะระลึกได้ถ้าสติเคยรู้จักถ้าจิตเคยรู้จักอารมณ์ชนิดนั้นเช่นเรารู้ว่าเผลอเป็นยังไง ร, รู้จักละต่อไปพอเผลอปุ๊บสติจะระลึกได้เองอ้าวเผลอไปอีกละพอระลึกขึ้นได้ว่าเผลอเนี่ยความเผลอจะดับไปทันทีเลยมันกลายเป็นไม่เผลอละ เราเคยรู้จักว่าเพ่งเป็นยังไงให้เพ่งเกิดรู้ทันว่าเพ่งในะอหน่อยก็เลิกเพ่งแต่เลิกยากนะเพ่งเพราะมันไม่ใช่อกูศลนะมันเป็นการปรุงแต่งฝ่ายกูศลนะเพราะงั้นดูแล้วมันไม่ดับตกแต่ต้องรู้ทันเบื้องหลังการเพ่งของเราก็คืออยากปฏิบัติเตันหายอยู่เบื้องหลังให้รู้ทันความอยากของเรานะมันถึงจะเลิกเพ่งพอจําได้ไหมการจํำสภาวะได้แม่น จำสภาวะว่าโลคเป็นอย่างงี้โกรธเป็นอย่างนี้หลงเป็นอย่างนี้อิดช้าเป็นอย่างนี้กลัวเป็นอย่างนี้รักเป็นอย่างงนี้ถ้าจำสภาวะได้แม่นจำได้มากนะเพอสภาวะอะไรเกิดสติก็เกิดบ่อยเนะั่ะหน้าที่ของเราต้องหัดดูจิตใจตัวเองบ่อยๆตามรู้จิตเนืองเนืองการตามรู้จิตเนืองเืองเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าจิตตานุปัสสนานะั่นเองเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยนะทำไปเพื่อให้เกิดสตินะ สติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นเรยทาไปเพื่อให้เกิดสติเราหัดตามรู้จิตใจของเราเรื่อยๆความรู้สึกชนิดไหนเกิดขึ้นเราก็รู้ทันเรื่อยๆนะต่อไปพอความรู้สึกที่เราเคยรู้จักแล้วมันเกิดเนี่ยสติจะเกิดอัโตโนมัติเลยมันจะคล้ายๆเป็นยามไปเตือนเราเลยว่า อ, อตอนนี้มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจเรานี่สติเกิดด้วยวิธีนี้แต่ถ้าเราไม่รู้จักสภาวะหรือรู้จักน้อยส่วนมากเราจะรู้จักสภาวะที่หยาบๆก่อน แค่กโกรธโกรธแรงๆถึงจะรู้อะไรเงี้ยแนะต่ไปรหัด ส, สังเกตใจของเราเนืองๆเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสังเกตใจอยู่บ่อยๆนะในที่สุดแค่ขัดใจเล็กๆความขัดใจเล็กๆเกิดขึ้นสติก็เกิดแล้วจะเห็นเลยว่าเริ่มขัดใจแล้วนิดๆกิเลสยังตัวไม่โตนะจะรู้ได้ไวขึ้นไวขึ้นนะหรือว่ายิ่งเรารู้จักสภาวะมากนะสติก็ยิ่งมีโอกาสเกิดได้เยอะขึ้นเยอะขึ้น นะเพราะงั้นหัดดูของเราไปหัดทำความรู้จักสภาวะนะเพิ่มขึ้นมาละอย่างสองอย่างก็ยังดีคนไทยเรานะยอดเยี่ยมที่สุดเลยในเรื่องการชี้ชชตัวสภาวะออกมานะเรามีศัพทนะ์มีศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาเกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจนี่เป็นร้อยๆเลยนะอย่างโลภโกรธหลงอะไรนี้นะอันนี้ก็ยังหยาบๆยาโมโหนะโกรธจนตัวซนะันยนะดีเกลียของมันก็ไม่เท่ากันอีก นะอิจฉาเนี่ยอิจฉาก็ตระกูลโทสะเหมือนกันนะกังวลกังวลก็โทสะเศร้าโศกเสียใจขับแค้นใจนเนี่ยสารพัดเลยเกรงอกงเกรงใจอิจฉาพยาบาทเห็นไห ม, มเยอะแยะเลยความรู้สึกทางใจคนไทยเราเก่งมาแต่ไหนแต่ไดแล้วบรรพบุรุษเราเก่งนะ<ม>บรรยัติเอาศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาวะทาง จ, จิตใจออกมาได้เป็นร้อยๆเลยหลวงพ่อเคยรวมไว้สองร้อยบทตัวหนึ่ รวมไปรวมมาไม่รู้ใครยื ม, มไปเลยหายไปแล้วเพราะงั้นต่อไปนี้หัดรู้นะสภาวะอะไรเกิดขึ้นอนยะ่างมันสงสัยเนี่ยสงสัยรู้ว่ามันกําลังสงสัยอยู่มันอิดชารู้ว่ามันอิดชาอยู่เนี่ยมันมันกําลังเผลอไปคิดแล้วรู้ว่ามันเผลอไปคิดแล้วนะให้หัดรู้ไปอย่างเนี้ยต่อไปสติจะเกิดเดยอะขึ้นเยอะขึ้นนะนี่ถ้าสังเกตให้ดีสติปัจฐานที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะ เป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาเพราะงั้นถ้าเราสามารถาระลึกได้เนี่ยสติจะเกิดได้ทั้งวันอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าสอนเน่ยเช่นท่านสอนอันแรกเลยบับแรกเลยของสติปัฏฐานนะคือการรู้ลมหายใจลมหายใจก็มีแต่ลมเข้ากับลมออกใช่ถ้าเรารู้ลมเข้าเราก็มีสติรู้สึกตัวรู้ลมออกมีสติรู้สึกตัวรู้สึกได้ทั้งวันนะ หรือเรามารู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนวันวันห น, นึ่งมันก็มีแต่อิริยาบถสี่แหละอิริยาบถประหลาดประหลาดอย่างไหวน้ํากระโดดอะไรเงี้ยก็มีไม่มากถ้ารู้อิริยาบถสี่เนี่ยก็มีสติได้แทบทั้งวันล่ะถ้ารู้การเคลื่อนไหวเรียกสัมปชัญญะบัพพะการกระตุกกระดิกการคู่การเหยียดอันนี้ไม่มีช่องโหว่เลยจะรู้ได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เป็นอารมณ์ที่เกิดทั้งวันอยู่แล้ว เราก็คอยหน้าที่คอยระลึกไปเรื่อยๆต่อไปถ้าเราจําสภาวะได้เช่นจําได้ว่ามันหายใจเข้าเป็นอย่างนี้นะพอหายใจเข้าปุ๊บสติจะเกิดเองไม่ใช่หายใจเอาเคลิมนะไม่ใช่หายใจเพื่อจะไปเห็นนั้นๆท์อันนี้หรืออย่างเวทนานุปั ส, สนาพระเจ้าสอนใช่ไหมถ้าเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้เวทนามันก็มีอยู่แค่เนี้ยมันก็วนเวียนอยู่สมามอันเนี้ยเกิดขึ้นทั้งวันนะั่นแหละหรือดูจิต จิตเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลมันก็มีอยู่ขนาดนี้เองส่วนวิบากจิตไม่ต้องไปดูนะดูไม่ตันไม่ต้องเยอะไปนะดูแค่หยับหยบบางตัวก็พอลนะมันโลภ ก, ก็รู้มันโกรธก็รู้มันหลงก็รู้นะความโลภหายไปแล้วก็รู้ความโกรธหายไปก็รู้ความหลงหายไปก็รู้ทําอย่างนี้ก็ทําได้แทบทั้งวันเนะ่นะเคยมีคนมาถามหลวงพ่อว่าถ้าใช้อารมณ์อันอื่นนอกจากสติปัฏฐานได้ไหม ถามว่าใช้อะไรเขาบอกถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวบอกไม่ได้นะเพราะปีหนึ่งร้องไม่กี่ครั้งเห็นไหมแต่อารมณ์ที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เกิดทั้งวันหรือบางคนไปซื้อนาฬิกาปลุกมาอัลลภันสองนาทีสามนาทีอะไรปลุกทีหนึ่งไม่พอนะสองนาทีรู้สึกขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วอาเหลือไปอีกสองนาทีแล้นะในขณะที่อารมณ์ที่พระพุทธเจ้าให้เราเนี่ยคือกายกับใจของเราเนี่ติดตัวอยู่ตลอดเลย ค่อยะระลึกไว้ะระลึกรู้กายกายเคลื่อนไหวค่อยรู้นะะระลึกรู้จิตใจจิตใจเคลื่อนไหวจิตใจมีความรู้สึกอะไรค่อยรู้ไปนะเนื้อสติจะเกิดได้ทั้งวันเลยคุณนิดบ้างเล ถูกต้องถูกต้องดีแล้วที่เห็นเนที่จริงตัณหาเนี่ยเกิดทั้งวันเลยนะเกิดตลอดเลยเช่นอยากดูอยากฟังอยากรู้เรื่องเราตัณหาเกิดก็่เขงการให้เราทํางานทางใจทางกายทางวาจาเนี่นตัณหาแทรกเข้ามาดีแล้วกิเลสเกิดแล้วเรารู้วนี่ดีนะมไม่ใช่ว่ากิเลสไม่ดีเพราะกิเลสก็แสดงใจรักษให้เราดูเท่าเๆกับกุศลนั่นแหละ เรปฏิบัติไปเรื่อยๆเลยต่อไปกิเลสเกิดแล้วก็รู้ก็เห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเกิดมาเราก็รู้ไปก็เห็นมันก็ดับเหมือนกันในที่สุดจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางกุศลเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางไม่ยินดีอกุศลเกิดใจก็เป็นกลางไม่ยินร้ายความสุขเกิดใจเป็นกลางไม่ไปหลงยินดีความทุกข์เกิดใจก็เป็นกลางไม่หลงยินร้ายในที่สุดฝึกไปเรื่อยๆใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลาง ความเป็นกลางตัวเนี้เป็นประตูของการบรรลุมรรคผลล่ะเมื่อไหร่ใจเป็นกลางต่ออารมณ์เนี่ยใจจะเลิกดิ้นรนเลิกปรุงแต่งเมื่อใจเลิกความปรุงแต่งหมดความอยากหมดความหิวกระหายที่จะดิ้นรนเที่ยวจะหาความสุขเที่ยวจะดิ้นหนีความทุกข์เที่ยวจะอยากได้ความดีเที่ยวจะหนีความชั่วอะไรพวกนี้ใจหมดความอยากหมดการดิ้นรนคก็วิราคะวิราคะคือความหมดความอยาก หรือวิสังขารหมดการดิ้นรนก็เกิดขึ้นมาวิราคะหรือวิสังขารเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของนิพพานฉะนั้นจิตใจเนี่ยจะเข้าไปสู่ความไม่ปรุงแต่งอะไรถามว่ารู้ไหมตามองเห็นรูปรู้ไหมรู้ต่ใจไม่ปรุงอะไรถ้าใจมีความสุขรู้ไหมรู้มีทุกรู้ไหมรู้นะแต่ไม่ปรุงต่อมันจบลงที่การรู้ ฝึกไปนะฝึกไป ห, ไปหัดรู้หัดดูไปวันหนึ่งใจเราเข้าไปถูงความเป็นกลางพนะอเป็นกลางแล้วถ้ากำลังเพียงพอมันจะก้าวกระโดดนะอย่าเปลี่ยนสภาวะไปเลยห น, ะนีไปคิดแล้วใช่ไหมคุณผู้ชายนะพอจะเข้าใจยังคุณนี่ทำอะไรอยู่ <c oughs> นะรู้ทันว่าคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิด พอรู้เรื่องไหมไม่ดึงหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ดึงนะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราดูว่ามันไม่มีอะไรสมมติอย่างี้แล้วเราบอกกับตัวเองว่างเราเอาสติดูอย่างี้มันางเราหลงในความคิดว่าเหมือนอันนั้นแหละกำลังหลงในความคิดเหมือนเราคิดซ้อนไปเราคิดซ้อนอีกทียกตัวอย่างนะโซเราเผลอไป เราเผลอไปคิดอะไรก็ไม่รู้หลงหลงเผล อ, อไปในขณะนั้นจิตเป็นอกุศลต่อมาเราเกิดสติระลึกได้ว่าอ้าวเผลอไปแล้วเห็นไหมระลึกทีหลังนะเผลอไปก่อนแล้วระลึกได้ว่าเผลอในขณะที่ระลึกขึ้นได้เนี่ยจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วะถัดจากนั้นเนี่ยอกุศลตัวใหม่จะเกิดขึ้นเริ่มฟุ้งซ่านละเริ่มไปวิเคราะห์ว่าเมื่อกี้มันคืออะไรหรือเริ่มไปแปลความหมายมันเนี่ยหลงครั้งใหม่มีสติอีกว่าจิตฟุ้งซ่านละเนี่ยกุศลก็เกิดขึ้นอีกหนึ่งขณะ งั้นจิตเนี่ยจะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลมาเห็นซ้ำซ้ำซ้ำนะในสุดจะเกิดปัญญาเออกุศลก็สั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้อกุศลห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้สั่งให้ไปเร็วๆเกิดแล้วให้ไปเร็วๆก็ไม่ไปนะจะเห็นเลยห้ามไม่ได้พอห้ามไม่ได้เนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนใจเป็นกลางเราฝึกจนกระทั่งใจเราเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ หนีไปคิดเรารู้ไหมเนี่ยไปดูเขาใช่ไหมแล้วก็หนีไปคิดต่อดูออกไหมทำงานหลายแบบต่อกันปับป๊บปบ๊ป๊บไปหลงแล้วนะโยงผู้ชายนี่ก็คิดไปคนละไหมง่ายพอรู้เรื่องไหม ย, ยากนะยากเนะมันยากเพราะว่าเราไม่เคยเรียนอ่ะอะไรที่เคยแล้วมันยากอะ่ะอย่างจีบผู้หญิงคนแรกยากใช่ไหม คนตอบต่อมาไม่ยากละใช่ไหมโยห์หัวละคือมันยากเพราะไม่เคยแต่ถ้าเคยแล้วไม่ยากหรอกหัดรู้ของเราเนี่ยทีแรกโอ้ยากจังเพราะตลอดชีวิตเราชอบรู้อย่างอื่นเราไม่ชอบรู้เรื่องตัวเองอย่างถ้าเราจะสนใจมาดูใจตัวเองเนี่ยนะไม่สนใจนะ ใครจะคอยดูว่าใครก็จะทำอะไรเนี่ยสนใจสนใจมากกว่าไม่ใช่ว่าเราดูไม่เป็นเราละเลยที่จะรู้นะฮะรู้จะโกรธไหมโกรธเป็มไหมเคยโกรธไหมเคยโกรธใช่ไหมเคยโลภไหมเคยโลภอยากได้เคยอิจฉาบ้างไหมเป็นใช่ไมเนี่ยผู้ชายก็อิจฉาเป็นนะไม่ใช่เป็นแต่ผู้หญิงนะเคยกลัวไหมกลัวกลัวเป็นเหมือนกันใช่ไหมเคยดีใจไห เห็นไม่รู้จักหมดเลยถามอะไรก็รู้จักหมดนะจะมาบอกว่าดูจิตไม่เป็นเี่ยพูดไม่ได้นะต่อไปนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นค่อยรู้ให้มันไวๆหน่อยะต้องรู้ไวๆนะไม่ใช่โกรธเมื่อวานแล้ววันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้รู้สึกขำรู้สึกผ่อนคลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมผ่อนคลายรู้ว่าผ่อนคลายเนี่ยรู้ไปอย่างเงี้ยนะจะยากอะไรฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆเลยนะกรรมฐานต้องฝึกอยู่ในชีวิตของเราให้ได้นะ ถ้าเรายังแยกส่วนกรรมฐานออกจากชีวิตปกติเราก็อีกที่ชาติก็ไม่บรรลุหรอกนะกรรมฐานนี่แหละอยู่ในชีวิตจริงๆเลยเพราะว่ากรรมฐานเนี่ยไม่ได้ทําตอนเข้าคอร์สหรือทําตอนไปอยู่วัดกรรมฐานนะทําตอนที่ตามองเห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนรู้ทันนะทําตอนที่หูได้ยินเสียงเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันทํตาตอนที่ใจมันไปคิดแล้วความรู้สึกเปลี่ยนก็รู้ทันนะคิดเอาเองความรู้สึกยังเปลี่ยนเลยนะ เคยโกรดคนหลายๆปีไหมโกรดนานๆลืมไปแล้วพอนึกขึ้นได้มันโกรธอีกเนี่ยนะอหนังจีนชอบบอกผู้ดีแก้แค้นสิบปีไม่สายไม่รู้ผู้ดีแบบไหนนะ <c oughs> เนาะมันผู้ร้ายชัดๆเลยนะแค่คิดเอาเองความรู้สึกยังเปลี่ยนเลยนะนะคิดถึงสาวไปเดี๋ยวราคาก็เกิดอย่างเงี้ยเนีนะ่ยนะพอใจเรากระทบอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนเราก็คฟรู้นะรู้เรื่อยๆ การปฏิบัติไม่ได้มีอะไรที่ยากหรือผิดธรรมชาติธรรมดาเลยนะใช้ชีวิตของเราปรกติแต่เบื้องต้นถือศีลห้าไว้ก่อนนะถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าเรามีศีลห้าแล้วได้บุญไปครึ่งหนึ่งละต่อไปเราก็ไยตามรู้จิตใจของเราไปอย่างนั้นไม่ใช่นะคุณผู้ชายเนี้ยส ก, กี้หลงไปแล้วนะง่วงเหรอมันนั่งตรงนี้ก็หายแล้ว เออเคลื่อนที่สะนะพรูเจ้าถึงสอนไงวิธีแก้ง่วงมีแปดวิธีนะคิดถึงสัญญาพิจารณาความรู้สาธยายมนนะยอนหูถูตัวนะรูปหน้ารูปตาเนี่ยหันซ้ายหันขวาดูทิศเหนือทิศใต้นะนะแล้วก็เดินจงกรมถ้ายังไม่ไหวก็ไปศีหาสายยากี่นอนซะ แต่นอนก็นอนตั้งใจไว้ว่าพอรู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นมาเนี่ยต่างกับคนทั่วๆไปนิดเดียวท่านไม่ได้สุดโต่ว่าห้ามนอนแต่ห้ามขี้เกียจนะฮเห็นไหมพระพุทธเจา้าสอนละเอียดนะก็ทั้งง่วงจะทำยังไงยัา ง, งาอุศาสอนเลยใจดีมากนะเมตตาเยอะสอนละเอียดเหลือเกินอ้าวคุณนิดรู้สึกไว้ของคุณเป็นไงบ้างดีแล้วดีแล้วนะดีแล้ว จิตตอนนี้ล่ะตอนนี้รู้สึกตัวเต็มที่ไหม อ, อะไรนะเออตอบถูกอีกแล้วแมมสุขใจหลวงพ่อใทยได้ตอบได้นะกิเลสเกิดไม่เคยว่าเลยนะแต่กิเลสเกิดรู้ว่ามีกิเลสนี่ชมแล้วนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านยังชมเลยท่านบอกว่าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลเนี่ยท่านบอกว่าดีนะจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศล น, นี่ดีเลิศเลย จิตเป็นกุศลยังไม่รู้ว่าเป็นกุศลเนี่ยพวกไม่เอาไหนจิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลยังกำลังเผลออยู่แล้วบอกไม่เผลอเนี่ยครูบาอาจารย์บอกเผลอไปแล้วไม่เผลอเลยค่ะเนี่อกุศลยังไม่รู้อกุศลเนี่ยพวกนี้แย่สุดจิตเลยของคุณเป็นไงบ้างคุณนั่นมิจิตตอนนี้เป็นไงรู้สึกตัวเต็มที่ไหมตอนเนี้ย เต็มที่ยังยังต้องเอาของกิงของเรานะ <c oughs> อย่างถ้าไม่แน่ใจนะให้รู้ว่าไม่แน่ใจรู้ลงปัจจุบันเลยนะเพราะงั้นบางครั้งเวลาเรารู้สึกตัวเนี่ยเราเกิดสงสัยขึ้นมาเอ๊สตรงนี้รู้สึกตัวหรือยังนะให้รู้ทันเลยว่าปัจจุบันนะั่นคือสงสัยนะปัจจุบันไม่รู้สึกตัวซะแล้วส่วนไอ้ตะกี้นี้จะรู้สึกหรือไม่รู้สึกไม่มีความหมายซะแล้วเพราะเป็นอดีต รู้ลงปัจจุบันอะไรนะอะไรนะอ๋อถ้าแน่นๆนขึ้นมาไม่ถูกแล้วนะความรู้สึกตัวจริงๆเกิดมานะใจจะโปร่งโล่งเลยนะใจจะเบามีละหูตาเบาใจจะอ่อนโยนนุ่มนวลมีมุทุตานะใจไม่ถูก กิเลสครอบงำเรียกว่าควรแก่การงานมีกรรมั ญ, ญาตาใจคล่องแคล่วไม่ซึมไม่ทื่อในใจซึมใจทื่อนะใจต้องคล่องแคล่วนะถ้าใจซึมใจทื่อเป็นจิตอุศลนะจิตนะที่เป็นคูสนี่ใจจะเปรียวปราดเปรียวแต่ว่าอ่อนโยนนุ่มนวลเบาคล่องแคล่วว่องไว ถ้าเราลงมือปฏิบัติคุณสังเกตไหมพอเราคิดเรื่องปฏิบัติแล้วเรามีการกระทําอะไรบางอย่างขึ้นมามันจะแข็งแข็งขึ้นมามันแข็งแข็งขึ้นมาเพราะเราไปปรุงมันขึ้นมาเราไปสร้างมันขึ้นมาทําไมถึงสร้างเพราะว่าเราอยากปฏิบัติมีความอยากอยู่ข้างหลังทําไมถึงอยากปฏิบัติเพราะอยากให้เราให้จิตใจของเรามันดีเห็นไหมลึกลงมาถึงที่สุดก็คือเพื่อจะให้จิตใจของเรามีความสุขเนี่ยจิตใจมันเป็นของเราขึ้นมา เออทาใจสบายๆรู้ไปสบายๆนะตรงที่ทําใจให้สบายๆเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะนะเพราะฉนั้นเริ่มต้นเนี่ยทําใจให้สบายก่อนแล้วก็รู้ไปมีอะไรให้รู้ค่อยรู้ไปเรื่อยๆนะทําไปสบายๆอย่าเริ่มต้นด้วยการจริงจังนะตสมมาพูดเรื่อยๆนะบางคนเรียกว่าพูดเล่นบอกถ้าเอาจริงนะจะได้ของเล่นนะเอาจริงได้ของเล่นคือทําแต่สมถะอะไรเพ่งๆๆแล้วนะได้แต่ของเล่น ได้บูทิปตาทิปอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าทําเล่นๆเราได้ของจริงนะทําเล่นๆเรารู้ไปเล่นๆรู้ไปสบายๆนะใจเราเสลอไปก็รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงก็คอยตามรู้ต้องตามรู้นะอย่าไปดักไว้ก่อนไม่ใช่ให้ไปจ้องรอดูนะจนะําไว้นะตรงนี้สําคัญหัดใหม่ๆชอบไปจ้องเอาละต่อไปนี้ได้เวลาปฏิบัติอะวางฟอร์มก่อนแนะม่ดูเหมือนนักปฏิบัติแล้วนะ ทำคลึมๆแล้วก็รอดูว่าเมื่อไหร่อะไรจะเกิดบางคนรอดูกายจะดูซิเมื่อไหร่มันจะกระดุกกระดิกนะรอดูไปเรื่อยๆรอให้มันเมื่อยก่อนอะไรเงี้ยนะหรือบางคนก็จ้องรอดูซิเ ม, มื่อไหร่อะไรจะโผล่ขึ้นในใจเราจ้องนะอย่างนี้ไม่ถูกนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้จ้องเอาไว้ท่านบอกให้ตามรู้นะตามรู้ร่างกายเมื่อกี้พยักหน้ารู้ไหมเห็นไะมแค่รู้ว่าเมื่อกี้พยักหน้าตอนนี้ก็จะตื่นขึ้นมาลนะ นั้นสตินะถ้าเราระลึกตามระลึกไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวเราก็คอยรู้ไปจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรก็คอยรู้ไปสติก็จะเกิดเองนี่พอสติเกิดแล้วรู้สึกตัวแล้วรู้กายถ้ารู้กายนะจะเป็นวิปัสสนาต้องรู้ลงปัจจุบันนะแต่รู้จิตเนี่ยยังเป็นการตามรู้เหมือนเดิมไม่เหมือนกันนะสติปัฏฐานที่ทําให้เกิดสมถะเนี่ยใช้ตามรู้กายตามรู้ใจ สติปัฏฐานที่จะเป็นวิปัสนาเนี่ยถ้าเป็นการรู้กายนะต้องรู้ลงปัจจุบันเลยเห็นอยู่ทนโทั่เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุเป็นรูปเป็นก้อนธาตุอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ผิดแล้วรู้สึกไหมใจแข็งนะผิดที่ใจล่ะทําด้วยโลภะนึกออกไหมอยากปฏิบัตินะอยากปฏิบัติคือโลภะพอโลภะเกิดก็เลยจ้องรอดูนึกออกไหมที่อาจามาบอกมันรอดูนันเนี่ยผิดนะ ใค่อยๆเรียนนะคุณเรียนได้เร็วมากเลยคนพื้นฐานสมถ t ดีแต่ถ้าปิดสมถ t เรียนไม่ได้เลยนะปิดสมร tha ฟังใครเขาพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่ทาอะไรดีใจรู้ว่าดีใจเมื่อกี้เผลออะหลงดีใจเต็มคําว่าหลงลงไปหลงดีใจเนี่ยหลงคิดแล้วรู้ไหมหลงคิดอีกแล้วเห็นไหมเวลาดูก็หลงดูเวลาฟังก็หลงฟังเวลาคิดก็หลงคิด นะเวลาโกรธก็หลงโกรดอีกนะมีแต่คบว่าหลงหลงหมดเลยเพราะงั้นจริงๆแล้วก็คือพื้นฐานสิ่งที่ยืนพื้นในจิตใจพวกเรานนะก็คือหลงคือโมหา น, นั่นเองมีแต่เรื่องหลงตลอดเนี่ยหลงไปอีกแล้วทราบไหมสังเกตไม่ง่วงน้อยกว่าเมื่อกี้เออง่วงก็ไม่เที่ยงนะ อ, <c oughs> อืมเออหายง่วงรู้ว่าหายง่วงไปขอคุณยังบังคับอยู่นะ บังครับนิดเดียวก็ไม่ถูกแล้วคุณเสื้อสีส้มนั้นเป็นไงบ้างสีเหลืองหรือสีส้มเคยรู้สึกนะรู้สึกเลยนะคุณผู้หญิงที่ใส่เสื้อตราค้างคาวอ่ะรู้สึกไหมนะคุณนี่ล่ะที่ผมยาวๆนะใจลอยรู้จักไหม <c oughs> ใจมันลอยนะ้ําหนีไปเที่ยวรู้ว่าใจมันหนีไปไนะงาทางนี้ล่ะรู้เรื่องบ้างยัง คุณที่ใส่แว่นนั่นล่ะเป็นไงบ้างคุณที่อยู่ติดตู้่เคยฝึกไหม เ, เหรอฝึกมาแบบไหนไ เ, เหรอคุณคอยตามรู้นะตามรู้ความรู้สึกของตัวเองมันเปลี่ยนแปลงทั้งวัน เราไม่แทรกแซงไม่ห้ามไม่บังคับถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยไปเราก็รู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เราไปจ้องไว้ไปเพ่งไว้ก็รู้ไม่ตรงความจริงมันนิ่งผิดความจริงวิปัสสนาเนี่ยคือการรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงไม่คอยรู้สึกไปอย่างตอนนี้คุณสังเกตออกไหมคุณลืมตัวเองละมาสนใจฟังอัตมาใช่มเราจะลืมตัวเราเอง เอาซีดีไปฟังนะเดี๋ยวแจกซีดีให้ไปฟังฟังบ่อยๆนะฟังจนตื่นขึ้นมาเลยนะมีหลายคนนะมีซีดีอยู่แผ่นหนึ่งฟังแล้วฟังอีกนะบางคนที่งกว่านั้นอีกมีเทปอยู่ม้วนเดียวอะ่นะฟังฟังไปฟังมาก็ตื่นขึ้นมาเมอเราตื่นเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ทันสภาวะที่กําลังปรากฏเช่ในใจเราแอบไปคิดเรารู้ทันว่าแอบไปคิดปุบ๊บเราตื่นเลยเมืนะเราตื่นเรารู้สึกตัวได้เนี่ย อะไรเกิดขึ้นในจิตในใจนะมันรู้เองไม่ต้องเจตนารู้แล้วมันรู้ได้เองเลยพอมันรู้เองมันจะเห็นเลยทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับไปเนี่ยเห็นอย่างนี้เนี่ยเห็นธรรมะไงคุณผู้หญิงเสื้อสีฟ้าข้างหลังอ่ะเคยฝึกมาแบบไหนใช๊อะไรนะอ๋องั้นเป็นสมถะนะ ก็ดีกว่าฟุ้งซ่านแต่สังเกตไหมมันวันนี้สงบพรุ่งนี้ก็ฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยนะเขาก็แสดงไตรลักษ์ให้เราดูนี่เราชอบปฏิเสธไตรลักษณ์ปฏิเสธไตรลักษ์คือปฏิเสธธรรมะเลยนะจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยพยายามสอนเราตลอดเลยกายนี่เขาก็แสดงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ดูจิตก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ดูแสดงทั้งวันแต่เราไม่ดูเท่านั้นเองนะเรากลับไปน้อมเข้าไปให้นิ่งๆเห็นไหม แทนที่เราจะเห็นว่าจิตใจเป็นของไม่คงที่เราก็ฝึกน้อมให้นิ่งพอเราฝึกไปนานๆพอเราแก่นี่เราเก่งเลยนะพอมองปุ๊บนิ่งปับ๊บเลยเราก็จะสะสมความเห็นผิดว่าเราบังคับได้อ๋อจิตนี้เป็นอัตตาบังคับได้นะความความเห็นจิตมันค่อยๆพอกพอกฟูนแต่ถ้าเราไปรู้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามการกระทบเออห้ามมันไม่ได้เลือกก็ไม่ได้จะเอาแต่สุขจะเอาแต่ดีก็ไม่ได้อะไรเงี้ย เรารู้ไปวันหนึ่งใจมันก็ยอมรับความจริงจิตใจนี้ไม่เที่ยงเลยจิตใจเป็นทุกข์จิตใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยปล่อยวางได้แต่ถ้าเราเพ่งลูกเดียวเราจะยึดถือเก่งขึ้นเรื่อยๆพอเข้าใจใช่ไหมคุณฟังเข้าใจใจคุณมันเปิดฟังได้นะดีละหนีไปคิดเอานะไม่ได้นะเหนอยไปแล้วนะ อ้าคุณวิยะดาเป็นไงวันนี้ง่วงอีกไหมวันนี้ไม่ง่วงเพราะว่ า, มาเมื่อวานไม่กี่วันมีเออใช่นะเมื่อวานะเรานอนดึกเองไม่กินเยอ ะ, ะ อ, อ, อ, อใช่เสร็จแล้วพอเราง่วงนะเราก็โทษว่าเราไปรับคลื่นง่วงของคนอื่นเขาน <c oughs> คืออย่าสนใจนะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสมมติว่ามีคลื่นอะไรมากระทบเราเนี่ยเราสงสัยว่าไอ้นี่มันของเราเองหรือมันมาจากข้างนอกนะโยนมันทิ้งไปเลยให้รู้ทันว่าใจกาลังสงสัยอยู่นะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยย้อนมาดูที่จิตของเราถ้ามันเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นนะมันจะหายไปเองแต่ถ้ามันเป็นของแปลกปลอมภายนอกมาจริงๆมันไม่หายสมมติว่าเราอยู่ๆเห็นผีมาโผล่ข้างหน้าเราหนึ่งตัว ถ้าเราเห็นผีเราตกใจรู้ว่าตกใจดูที่ใจเราอย่าไปดูผีนะถ้าใจเราเป็นกลางปั๊บย้อนออกไปดูเนี่ยถ้าหายไปแล้วนี่ใจเราปลุงขึ้นมาถ้ายังนั่งยิ้มอยู่อย่างเก่านะเอออาจจะตัวจริงก็ได้ <c oughs> อะไรเกิดขึ้นนะย้อนเข้าหาใจตัวเองไว้เลยเพราะงั้นเราไปรู้สึกโอ้คลื่นอะไรเนี่ยไม่ต้องมาวิเคราะห์ว่าคลื่นอะไร นะไม่ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าที่มาจากไหนของเราเองหรือของคนอื่นนะให้รู้ลงไปเลยว่าโอ้ใจมันไม่ชอบลนะ้ใจมันกำลังเมานะให้รู้ทันใจแงี้ตกเป็นผู้ต้องหาลนะ้ะแก้วหมู่นี้แก้วมีปัญหาเนี่ยนะแก้วดูเก่งขึ้นเยอะเลยมันขยันดูเลยไงอะไรนะเออดีดูไปด้วยนะ อย่าตั้งใจเยอะนะแต่ว่าดูไปดูเหมือนดูเล่นๆนะของแก้วมันตั้งใจเกินไปนิดหนึง่อง อ, ออย่าดูน้อยลงสิ<ม>พอต<ม>ํารวจไม่เอาเรื่องแล้วไม่ดูน้อยลงเอออย่าไปเพ่งเออไม่เพ่งนะดีละวรู้สึกไหมจิตใจมันปลอดโปร่งขึ้น อ, อ, อแต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะยังแข็งอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมอะ เออมันน้อยลงแต่ว่ามันยังมีอยู่แก่ก็ดูต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่พักตำรวจไม่เอาเรื่องแล้วไม่ดูนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นมันทุกข์คนเราเพอมีความทุกข์แล้วก็หาที่พึ่งรีบ <พา S 1> เอาธรรมะเป็นที่พึ่งก็ยังดีนะเฝ้าดูใจของตัวเองแล้วบางคนเอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเที่ยวไปบนเที่ยวไปบนที่โน้นที่นี่อะ ถ้าพุทต้องมีเหตุผลนะรู้จักวัดม่วงชุมไหมวัดม่วงชุมนะเมื่อก่อนมีพระองค์ชื่อหลวงหลวงหลวงพูอเที่ยงหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมนะตอนนั้นมีพวกทหาร น, ะนิมนต์ท่านไปกรุงเทพไปปลุกเสกพระพวกในทหารเขาจัดทาพระเครื่องนิมนต์ท่านไปมีพระหลายองค์นะแล้วก็มีพันเอกคนหนึ่งเป็นพันเอกอ่ะ พอปลูเกเสกพระเสร็จแล้ววิ่งกลับฮะกราดถ้าไปกลับหลวงพ่อเที่ยงเลยหลวงพ่อช่วยให้ให้ผมได้เป็นในพลสักทีไม่ได้เป็นในพลเลยเนี่ยเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นในผลไปแนละ้ขอให้ผมได้เป็นในผลเถอะหลวงพ่อยิ้มหวานเลยมึงโง่นี่อยากเป็นในพลก็ไปขอนายสิมาขอที่พระทําไมโอ้ได้ไอเดียนะไปขอนายเลยได้เป็นเลย เนี่นชาวพุทธต้องมีเหตุผลนะเที่ยวมาขอรูปปั้นขอจอมปลวกขอภูเขาอะไรให้ช่วยมันช่วยไม่ได้นะต้องช่วยตัวเองไม้เป็นไงไม้เออดีนะหนักหนักเบาเบาก็ดีละเอาเสื้อเขียวสองคนนะั่นมาจากไห น, ไ เ, นเคยฝึกไหม ตอบไม่ตรงคําถามนี่ที่หลวงพ่อถามเนี่ยนะไม่ใช่ว่าสํานักนี้ดีสํานักนี้ไม่ดีอ่นะเคยฝึกม า, ย, ายังไงจะได้บอกให้เดินต่อไปนะที่จริงถ้ารู้ทางนะไปต่อได้ทุกสํานักแหลนะใครเคยดูพองยุกก็ต่อไปได้นะใครจะพุดโธจะอะไรต่อได้ทั้งนั้นแหละ ถ้ารู้หลักของการปฏิบัติว่าสมถะเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงเนี่ยทำง่ายหมดจับอะไรขึ้นมานะก็เป็นกรรมฐานหมดเลยแต่ถ้าไม่รู้หลักนะทำอะไรก็ผิดหมดเลยพอเริ่มหายใจเข้าหายใจออกก็ทาผิดล้กลายเป็นนั่งเพ่งอะไรเงีย้ยแต่ถ้าทำจับหลักวิปัสสนาได้หายใจเข้าหายใจออกเห็นแต่ว่ารูปเนี่ยมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกไม่มีตัวเราเลยในร่างกายนี้ อย่างนี้ก็ได้ละแม้แค่หายใจก็หายใจอย่างเดียวกันแหละแต่ความรู้ความเข้าใจมันต่างกันเพรา้ตัวสัมมาทิฏฐิตัวความเข้าใจถูกเนี่ยเป็นหัวใจเลยนะต้องเรียนต้องฝังเพราะเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ทำอะไรล่ะคุณนะอะ เ, เอตอตอบถูกใช้ได้ได้หนึ่งคะแนนนะของคุณเราบังคับอยู่เรื่อยๆนะยางเพ่งจนชินนะรู้ให้ทันอย่าอยากเลิกนะ ถ้ามันอยากเลิกรู้ว่าอยากเลิกนะไปพอมันเพ่งใจเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเพ่งรู้อย่างเป็นกลางพอรู้อย่างเป็นกลางปุ๊บเราจะเห็นความเป็นกลางของมันนะเราไม่สนใจตรงที่เพ่งแลเรารู้ทันว่าจิตเป็นกลางนะนี่เราก็จะเข้ามาถึงจิตหรือเราหายใจเข้าหายใจออกไปจิตใจมีความสุขแลนะนะรู้ว่ามีความสุขนี่ต่อเข้ามาดูจิตใจต่อไปได้เลย หรือหายใจไปหายใจไปอุ้ยหงุดหงิดไม่ยอมสงบเลยหงุดหงิดหงุดหงิดรู้ว่าหงุด ห, หงิดนี่เข้ามาดูเสร็จเรียบร้อยละเพราะงั้นกรรมาฐานจริงๆง่ายนะเดินอยู่ข้างถนนหมาบ้าวิ่งมาใส่ใจหายว่าไปรูร้ว่าใจหายนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วที่เหลือคือวิ่งนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นนะชาพุทไม่ได้โง่อย่างนั้นนะหนีไปคิดแล้วทราบไหมดีนะ ไงคนนี้มาหลายทีแล้วยังคุ้นคุ้นเลิกบังคับยังเออดีนะตับถูกเออถูกใจหลวงพ่อเห็นไม้มหลวงพ่อมีอคตินะใครตอบอย่างนี้ชอบถ้าใครมาตอบว่าถามเป็นไงสงบครับอีกเดือนหนึ่งมาเป็นไงสงบครับหัวฝ๋าเรากลุ่มใจมันจะสงบอะไรนักหนา แต่ความสงบก็สำคัญนะแร้วพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำสมาธิแต่ตอนไหนควรจะทำสมาธิเราก็ทำตอนไหนจะทำวิปัสสนาเราก็ทำเพราะพุทธเจ้าสอนทั้งสองอย่างนี้ท่านบอกว่าจะทำสมาธิหรือวิปัสสนาต้องทำด้วยปัญญาอันยิ่งคือรู้ว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรรู้ว่าจะทำอย่างไรทำแล้วมันจะมีผลยังไงต้องรู้ อย่างช่วงนี้จิตใจเราฟุ้งซ่านมากเราดูจิตของตัวเองไม่ออกนะเราก็มารู้กายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนนะกายไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ก็ยังเป็นมิปัจฉนาอยู่ถ้ากระทั่งกายก็ดูไม่รู้เรื่องทําสมถนะให้จิตใจพักผ่อนสมถะเป็นแนวตั้งรับนะถ้าสมถะทําไม่ไหวนะหาดหายใจก็ไม่เป็นดูลูกแก้วก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นนะก็หาอารมณ์ที่เป็นกุศลมาให้จิตมันอยู่ะเช่นะ ไปหาอาหารไปเลี้ยงปลาเนี่ยนะเห็นปลามากินเหยือ่อแล้วมีความสุขนะแต่ไม่ต้องเกี่ยวเบ็ดด้วยนะไม่ใช่เกี่ยวเบ็ดไปหย่อนปลามากินมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี้ไม่ได้นะอย่างนี้เป็นอกุศลนะเอาอาหารไปละปลามากินมีความสุขก็รู้นะไอ้ตัวใหญ่นี้แย่งกินตัวเล็กไม่ได้กินเลยชักโมโหละวเห็นไหมเริ่มเริ่มโมโหโมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหมกระทั่งเลี้ยงปลาเราก็หัดดูได้ ทำอะไรก็ทําได้นะถ้าทําเป็นไม่ได้มีอะไรยากเลยเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติก็คืออะไรก็ไม่รู้ลึกลับซับซ้อนต้องทําอะไรที่เหนือธรรมดาธรรมะนั่นแหละคือเรื่องธรรมดาเนธรรมดาที่สุดเลยนี่เราชอบเหนือธรรมดาคือเราชอบแต่งออกอ่ะใครจะถามอะไรนะเอาอีกสักคําถามหนึ่งนะคุณเอาไหม หลวงพ่อไม่ได้สอนให้ปฏิบัติหรอกนะหลวงพ่อสอนให้รู้ว่าใจมันแอบไปทําอะไรรู้ทันมันตามรู้มันไปเรื่อยๆนะทําอย่างที่อาตมาเล่าอ่ะนะตั้งแต่ตื่นนอนเลยตื่นนอนนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์จิตใจเป็นอย่างนี้รู้ทันนึกได้ว่าวันนี้นะวันศุกร์จิตใจเป็นอย่างนี้รู้ทันนะตื่นขึ้นมารู้ว่าวันนี้ต้องไปไประชุมห้าแห่งต่อกันชักเครียดแล้วรู้ว่าเครียด แล้แต่ตื่นนอนเลยสใจกระทบความคิดก็รู้ตากระทบรูปหูกระทบเสียงนะไป ร, รู้ไปเรื่อยในที่สุดเราอยากเข้าใจธรรมะด้วยเวลาที่ไม่ยาวเท่าไหร่เวลาเออมันเกิดอาการว่าวเราคิดว่าจะ ม, ามีโมโหแต่เราไม่ได้คิดธรรมะโมหอ่ะแต่ว่าเอออย่างงั้นน่าดีแล้ว เออนะรู้แค่ความรู้สึกบางอย่างปุดขึ้นมาไม่ต้องแขวนป้ายให้มันก็ได้ตอนแรกภาคเยอะแล้วตอนหลังภาเออรู้สึกไหมการภาคเนี่ยเป็นส่วนเกินดีแล้วที่ไม่ภาคสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นมาสจิตไปรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยจิตไปรู้สภาวะของความโกรธเนี่ยคือการรู้ที่ถูกต้องและนะถัดจากนั้นบางคนรีบโกรหนอเนี่ยรีบไปภาคต่อลงไปหรืออ๋อนี่โกรธแล้วนะ บางคนไม่ภาคอย่างเดียวสอนด้วยโกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธมันเลย น, นี่ฟุ้งซ่านทั้งหมดเลยนี่ยจิตลงไปสู่อารมณ์บัญญัติอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเคยรู้จักเจ้าคุณนอไหมนะเจ้าคุณนอสอนบอกของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงนะเพราะงั้นความรู้สึกใดๆพูดขึ้นมาเรารู้ความรู้สึกนั้นเรารู้ของจริงแลวนะวถ้าเรายัางพูดอีกโอ้นี่คือความโกรธความโกรธไม่ดีอย่ากโกรธเลยเนี่ยพูดจ้อยแจ๊บแจ๊บแจอย่างนี้นะไม่ใช่ของจริงนละ้ เพราะงั้นให้รู้ที่ตัวสภาวะนะแต่หัดใหม่ๆพอสภาวะมันเกิดเนี่ยเราชอบบรรยายเราชอบภากอ้าวโกรธแล้วนะนี่โลภแล้วนะไอ้นี่อิจฉานี่อะไรเงี้ยบรรยายแล้วบางทีเที่ยวสั่งสอนต่อไปด้วยนะอย่าโกรธเลยโกรธไม่ดีอีกหน่อยเขาก็ตายเราก็ตายอย่าโกรธกันนะ ใ, ให้เขาตายก่อนเราก็แล้วกันออย่างงเให้ค่อยรู้ไป เพราะงั้นสภาวะจริงๆเรารู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเคยได้ยินไหมในธรรมจักอะตะกวนธัญญาพอฟังธรรมะแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมรู้ว่ายังกินจิสมุทยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งซัมติงไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ซ้ำจริงเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปไม่ต้องใส่ชื่อแต่ว่าจิตของเรามันเคยชินที่จะใส่สมมุติบัญญัติมันก็ใส่สมมติบัญญัติคือใส่ชื่อลงไปหัดใหม่ๆมันชอบใส่ชื่อใส่ไปเรื่อยๆจะพบว่าการที่มันต้องใส่ชื่อนะเป็นภาระเป็นส่วนเกินมันเหนื่อยนะต่อไปมันเลิกใส่ของมันเองมันเลิกเองนะไม่ใช่ไปช่วยมันเลิกอีกนะ จำไว้นะเรียนกับหลวงพ่อนะรู้ลูกเดียวนะไม่ต้องไปช่วยมันทำแต่ไม่ใช่ไม่รู้นะ